เพราะฉะนั้นพิสูจผู้กลัวอาบัติก็ถ้าหากว่ากําหนดดูก่อนแล้วค่อยถามเนี่ยนะหรือบางทีค่อยฉันเหมือนกันเถอะถ้าสงสัยก็ถามเขาเอาเพราะอะไรเพราะบางทีเนื้อเนี่ยมันรู้ยากบางทีเนื้อหมีมันก็เหมือนกับเนื้อหมูเนื้อเสือเหลืองมันก็เนื้อเหมือนกับเนื้อมรึกคือเนื้อกวางเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามเขาก่อนแล้วจึงสมควรจะรับเนี่ยนะรับแล้วค่อยฉันแต่ถ้าหากว่า เนื้อที่ไม่สมควรเนี่ยฉันจะเป็นอบัตแน่นอนรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถึงเขาไม่ฆ่าเจาะจงก็ตามเนี่ยนะนั้นก็ว่าไปบินทบาทแถวๆที่เขากินเนื้อสุนัขอันนี้ก็อันตรายก็ต้องถามเขาหน่อยว่านี้มันเนื้ออะไรเนี่ยนะทีนี้เนื้อที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนื้อที่ควรแก่การบริโภคเนี่ยนะด้วยด้วยเหตุ3ใช่หมหนึ่งไม่ได้เห็นคือไม่เห็นเลยว่าเขาเนี่ยฆ่ามาเพื่อประโยชน์แก่ พิกษุทั้งหลาย2ไม่ได้ยินเลยว่าเขาฆ่ามาเพื่อประโยชน์แก่ภิสูุ์ทั้งหลาย3ไม่สงสัยเพราะเห็นไม่สงสัยเพราะได้ยินไม่สงสัยเพราะว่าคิดเอาเองนึกสงสัยขึ้นมาไม่มีเลยคําว่าปริโผคันติวัามิแปลว่าควรบริโภคเนี่ยนะหน้า109เนี่ยบทคําว่าปริโผคันติวัฏามิความว่ามังศรที่บริสุทธิ์ด้วยเหตุสาประการนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์โดยส่วนส จริงอยู่การฉันมังสะคือเนื้อเนี่ยนะที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาท่านเปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนกับฉันฉันกับข้าวหรือหรือผักดองที่เกิดในป่าคือเหมือนกับว่าผักที่เกิดในป่านเนี่ยเป็นผักที่ฉันและไม่มีโทษหมายความว่าเป็นผักที่เรียกว่าปลอดสารพิษด้วยไม่มีเจ้าของห่วงแหนด้วยแล้วก็ปลูกขึ้นเองขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะมูลนกมูลหนูเป็นต้นเนี่ยนะเอาเอาผักเพื่อผักเหล่านั้นมาฉันเพราะเรียกว่า เอาม า, ามีคนมาถวายเป็นต้นเนี่ยฉันพืชผักเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่มีโทษฉันใดพระพิสุกก็ฉันฉันเนื้อที่ไม่ไม่ไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยนะไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราเห็นแบกเครื่องมือฆ่าเพื่อเราหรื อ, อไม่ได้ยินว่าเสียงเขากําลังฆ่าเพื่อเราหรือไม่สงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยเขาไปฆ่ามาเพื่อเราหรือเปล่าไม่นึกหวาดระแวงเขาบอกว่าถ้าฉันก็ไม่ต่างอะไรจากฉันพืชผักทั่วไปเนี่ยนะ ก้อนการฉันเนื้อนั้นถ้าตามในพระไตรปิฎกฉบับที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ห้ามฉันเนื้อที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยแต่ถ้าเนื้อที่เห็นได้ยินและสงสัยนั้นบอกว่าไม่สมควรฉันฉันแล้วก็เป็นอาบัติที่นี้ต่อไปก็บอกว่าภิกษุที่อยู่ด้วยเมตตา ม, มังฉันมังสะเนี่ยจะไม่มีโทษเพราะฉะนั้นคนที่พระภิกษุที่ฉันเนื้อเนี่ยนะโดยที่ไม่มีโทษ เขาบอกว่าควรจะอยู่ด้วยเมตตานะควรจะอยู่ด้วยเมตตาเพราะจริงๆแล้วมีเมตตาเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าอาเห็นอาหารเหมือนกับเนื้อบุตรของตนเนี่ยถามว่าจะบริโภคฉันด้วยความตกะตกราตะกรามเป็นต้นไหมบอกไม่เนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนื้อเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับพืชผักที่อยู่ในป่าเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไม่มีได้เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าพูดตามหลักเขาบอกว่าอ้า บางคนก็ถือลัทธิว่าผู้ใดฆ่าลัทธิที่เขาที่เขามาดูถูกพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะพระสมณะโคโดมเนี่ยฉันเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์พวกนี้เขาเขาาต้องการจะบอกว่ารู้ว่าคนที่ทานเนื้อฉันเนื้อเนี่ยนะจะบาปเท่ากับคนฆ่ามีส่วนที่เป็นบาปแห่งการฆ่าอธิบายฟังขึ้นด้วยนะเขบอกว่าเพราะสนับสนุนการฆ่าถ้าคนนี้ไม่กินเขาจะฆ่าหรือ อ, นนอธิบายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น ใครที่กินเนื้อที่เขาฆ่าพวกกินเนื้อก็เลยกลายเป็นว่ามีส่วนแห่งบาปเท่ากับคนฆ่าหรือว่าน้องๆคนฆ่าอันนี้เขาเป็นลัทธิสมัยพุทธกาลเขาก็เขาก็เอามาพูดคุยกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันรอกเนี่ยนะพระพิสู้าไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่สงสัยฉันแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องหลักโภษชนะการหลักอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ น, นี้พูดถึงว่าโทษที่เป็นกุศลอกุศลเป็นบาปเป็นอะไรในเรื่องนี้ ทีนี้ถามว่าถ้ามีคนถามว่าเอากรนีมันเนื้อสัตว์อ่ะเนื้อสัตว์มันจะไปเหมือนพืชผักได้ยังไงเอามันจะไปเหมือนกันได้อย่างไรมันคนละอย่างกันนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพูดแบบเออไหนๆก็เรียนธรรมะมาแล้วถ้าพูดภาษาพิธรรมเนี่ยนะมันก็อวินิโพคารูแปดแต่ละผักมันก็วินิโพคารูแปดเนื้อมันก็วินิโพคารูแปดมันจะกุ้งหอยปูปลากาไก่อะไรมันก็อวินิโพคารูแปดอุตุสมุธฐานเหมือนกันหมด มันไม่ใช่กรรมาสมุทฐานคาว่าสัตว์เนี่ยมันอยู่ต่อเมื่อมีนิยามเพราะมีกรรมเป็นสมุทฐานจึงเรียกว่าเนื้อสัตว์จึงถึงความว่าเป็นสัตว์ต่อเมื่อมีกรรมมีจิตมีอุตตอาหารเกิดจากกรรมจิตอุตตอาหารจึงนับว่าความเป็นสัตว์ถ้าหากว่าพ้นจากชีวิตดินทรีไปแล้วก็เป็นอุตชรูปธรรมดาเป็นอุตชรูปธรรมดาบางคนถ้าโยงมากบอกเขาโยงต้องอธิบายเชื่อมโยงจึงจะเห็นภาพ ถ้าคุณโยงนะคุณหายใจคุณก็หายใจเอาสัตว์เข้าไปด้วยเลยเชื่อเถอะมันไม่มีอากาศไหนบริสุทธิ์ร้อง่ายๆที่ว่าคุณไม่สูดสัตว์เข้าไปเนี่ยนะอันจมูกคุณเนี่ยดูดสัตว์เข้าไปตายกี่ตัวแล้วกัน้นศีลไม่มีโอกาสรบริสุทธิ์แน่นอนนะงั้นถะถ้าจะโยงการให้มันปวดหัวเวียนหัวเล่นๆเนี่ยนะไม่ยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้หมายความว่าเจตนาที่ว่าคือถ้าหากว่าเรามัวไปรักษาความบริสุทธิ์ด้วยอาหารมันไม่มีความบริสุทธิ์แน่นอน เพราะการบริสุทธิ์ในศาสนาไม่ได้ว่าคุณทานอาหารทานผักดองคุณเขร่งยังไงเขาไม่ได้เคร่งเท่ากับใครนะนิครนศาสนานิครนเคร่งกว่าเราเยอะต้องกินแต่น้ำร้อนอย่างเดียวแล้วก็กินแต่พืชผักอย่างเดียวบางคนกินแต่ผลไม้อย่างเดียวเนี่ยนะโอ้ทางนั้นเอาบรรลุกันหมดแล้วเนี่ยนะไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาหรอกนั้นต้องแยกเอาว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่อาหารพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ภาพที่เห็น ไม่ได้อยู่ที่เสียงที่ได้ยินไม่ได้อยู่ที่กลิ่นที่ตัวเองดมเนี่ยนะความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รสที่มาสัมผัสกับปลายลิ้นความบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่มากระทบกับร่างกายเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์เลยแต่อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่เจริญกล่อมกล่าวเจริญเติบโตขึ้นในใจนั่นแหละ ตัวนี้แหละเป็นเหตุให้บริสุทธิ์นั้นตะบะและพรหมจรรย์ไม่ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระบาปศีลไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระโทสะสมาธิถึงไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระโลภะปัญญาทั้งหลายถึงไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระโมหะเพราะฉะนั้นอธิศีลก็คืออะโทสะอธิจิตก็คืออะโลภะอธิปัญญาก็คืออะโมหะเนี่ยนะอะโมหะ เพนก็เจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอโลภาอะโทสะอโมหะเพื่อเพิกถอนโลพาโทสะและโมหะเนี่ยนะไอการปฏิบัติอย่างดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าตะบะและพรหมจันทร์เป็นเครื่องชำระบาปสิ่งที่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์เนี่ยนะสิ่งที่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลายอยู่ที่มัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ ทีนี้มาเน้นพิเศษว่าคนที่ฉันเนื้อ ง, งั้น ก, ก็อยากกินเนื้อสิเนี่ยนะไปเที่ยวเพื่อนเนี่ยจะได้อะไรนะจะต้องไปเที่ยวเพื่อจะได้ไปฉันอันนั่นฉันอันนี้ตามที่ต่างๆเป็นต้นอันนั้นก็เกินไปอีกไม่ใช่เพราะพระองค์จึงสอนให้พระภิกษุ ท, ทั้งหลายอยู่ด้วยเมตตาทีนี้ในสูตรนี้ชีวะกะสูตรพระพุทธเจ้ายกพระองค์เองเนี่ยขึ้นเป็นมาตรฐานเพราะโจดเรื่องนี้เขาเล่นพระพุทธเจ้าเขาเล่นว่าพระพุทธเจ้านะท่านท่า น, นพระสมณะโคโดม ท่านกร็รู้อยู่แก่ใจว่าเนื้อเนี่ยเขาฆ่ามาเพื่อท่านท่านก็ยังฉันเพราะว่าแปลว่าท่านเนี่ยเปื้อนบาปกับคนฆ่าด้วยนะพระ อ, องค์บอกว่าใครที่พูดอย่างนี้พูดไม่ถูกต้องหรอกเนี่ยนะเพราะพระ อ, องค์บอกว่าเนื้อที่ไม่ควรฉันด้วยเหตุสามได้เห็นได้ยินสงสัยเนื้อที่ควรฉันเพร้อมด้วยเหตุสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่สงสัยเนี่ยนะไม่รังเกียจไม่สงสัย ในข้อ58หน้าหนึ่งดูก่อนชีวภิกษุในธรรมวิไยนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านะ่ะเข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อไปอยู่ณนหะมู่บ้านแห่งนั้นไปอยู่ทําอะไรอยู่ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาคําว่าไปอยู่ที่ใดก็อยู่อยู่ด้วยยืนอยู่ด้วยเดิ น, ด, ด, นด้วยนั่งด้วยนอนแต่ยืนเดินนั่งนอนด้วยเมตตาเห็นไหม ยืนเดินนั่งนอนด้วยเมตตาด้วยความคิดที่ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเพราะฉะนั้นเวลายืนขึ้นก็ยืนว่า สภาพความคิดที่ยืนก็บอกว่าขอสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะทั้งที่เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามสัตว์ที่อยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเนี่ยนะจะนั่งก็นั่งคิดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดจะนอนก็ตามเนี่ยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ด้วยอาสนะผ่อมของเั้นเถอะเดินด้วยเมตตาเดินด้วยกรุณาเดินด้วยมุทิตาแล้วก็เดินด้วย ตรงนี้เน้นพิเศษคือเน้นด้วยเดินด้วยเมตตายืนด้วยเมตตานั่งด้วยเมตตานอนด้วยเมตตาะนะเช่นขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแล้วก็จะแพเมตตากระจายเมตตานี่ออกไปเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพัดลมที่เป่าออกไปเนี่ยนะเปรียบเหมือนความเย็นที่เป่าออกไปก็ให้ความสงบร่มเย็นคือเป็นความคิดที่หวังดีความคิดที่ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์จริงๆ ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแล้วก็เจริญเมตตานี้เนี่ยนะแผ่ไปในสัตว์ที่หนึ่งทิศตะวันออกทั้งทิศตะวันออกเนี่ยทั้งหมดสัตว์ที่อยู่ในทิศตะวันตกทั้งหมดสัตว์ที่อยู่ในทิศใต้ทั้งหมดสัตว์ที่อยู่ในทิศเหนือทั้งหมดแล้วก็น้อมแผ่เจริญไปในทิศเบื้องบนทั้งหมดสัตว์ทิศเบื้องล่างทั้งหมดในเบื้องขวางทั้งหมดเนี่ยนะ แผ่ไปแผ่เมตตาไปเนี่ยในในในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะก็คือในที่12่หนเนี่ยนะแล้วเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเรียกว่าท้วนทั่วในทุกเหล่าสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่าใดที่มีอยู่เห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามอยู่ใต้ดินมุดดินอยู่อยู่ในน้ําอยู่บนน้ําอยู่บนบกอยู่ในอากาศหรือว่า เป็นอากาศสเสถียวดาสูงขึ้นไปก็ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นะจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะคิดคิดเล็กคิดเออเป็นเมตตาที่ไม่มีคุณภาพใช่ไหเออขอให้ทุกคนมีความสุขมีอายุยืนนะแขอให้ทุกคนมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแต่ว่าคุณภาพของเมตตาอาจจะไม่แรงกล้าแต่ตรงนี้เน้นพิเศษว่าเมตตาจากปริตาเป็นมหคตะ จากอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌานเพราะว่าเมตตาไม่เกินฌานที่3เนี่ยนะก็จะเจริญเมตตาจนให้ปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌานเดินก็เดินด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยเป็นเมตตาที่ภัยบูรณ์เป็นมหคตะอัปปมาณนะาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรเนี่ยนะไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีความเบียดเบียนเลยขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคือสัมมาสังกัปปะตัวนี้ดีเยี่ยมเรียกว่าอภพยาสังกัปปะเนี่ยนะชำระความคิดอย่างพิเศษเลยเนะี่ยไม่มีความคิดไหนที่เป็นอกุศลแม้แต่ความคิดเดียวทีนี้เอาเมื่อไปอยู่ณนะสถานที่ตรงนั้นอยู่ด้วยเมตตาครหาบดีหรือบุตรของครหาบดีเข้าไปหาเธอแล้วนี่มนต ด้วยพัดเพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นคือเมื่อไปอยู่หน้าแห่งหนึ่งครก็อยู่เจริญเมตตาไปแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เลื่อมใสก็มานิมนต์ดูก่อนชีวกเมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์หมายว่าการรับนิมนต์หรือไม่รับอยู่ที่พระพิสุเนี่ยนะเป็นสิทธิที่ว่าอยากจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ก็อยู่ที่ก็เหมือนใครชวนเราไปไหนอ่ะนะก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เนี่ยนะถ้าหวังถ้าจำนงก็รับนิมนต์ พอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าพิกษุนั้นนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคึ้ราบาดีหรือบุตรของคึ้ราบดีแล้วก็นั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดเอาไว้ขึ้ราบาดีหรือบุตรของคึ้หาบาดีนั้นอังคาดคือประเคนหรือถวายเธอด้วยบิณฑบาตอันประนีตก็ได้อาหารอย่างเยี่ยมเลยเนี่ยนะที่เรียกว่าดีๆทั้งหลายอาหารอย่างดีเลยเนี่ยความคิดแบบนี้ไม่มีแกเธอว่า คืหาบดีหรือบุตรคือฮาบดีจงอัองางข้าเราด้วยบินทบาตอันประณีตแหมแ ม, แมชื่นชมนะโอ้โอันนี้ก็พิเศษเลยนะอาหารมือนี้ก็พิเศษอ่ะโตะอ่ะเรียกว่าถ้วยนี้ก็ไม่ธรรมดาถ้วยนี้ก็แพงถ้วยนี้ก็ดีเหลือเกินเรียกว่านั่งชมอาหารอยู่นั่นแหละความคิดตัวนั้นก็ไม่มีความคิดว่ายกย่องในอาหารดีๆทั้งนั้นอร่อยๆทั้งนั้นแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่ความคิดแบบเนี้ยไม่มีในความคิดเลยว่างั้นอะ ไม่มีความคิดต่อไปอีกว่าโอ้หนคอครหาบดีหรือบุตรเครืาบดีพึงถวายเราที่ด้วยอาหารประณีดแม้ต่อไปแม้วพรุ่งนี้ก็นิมนต์ให้อีกนะแอบก็เห็นวันนี้อูอาหารอร่อยเต็มโต๊ะไปหมดเลยชอบมากพรุ่งนี้อีกนะพรุ่งนี้อีกนะแอบก็ซิบในใจเข้าไว้เนี่ยนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะเอาแบบนี้อีกนะเนี่ยนะไม่มีความคิดแบบนั้นขึ้นเลยเนี่ยนะเธอไม่กําหนดแปลว่าไม่อยากไม่สยบคือหมกมุ่น ไม่รีบกลืนกินบินทบาทด้วยอำนาจของฉันธราคะก็แปลว่ามีปกติเห็นโทษ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 สิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทําอย่างนี้นะจากระ ง, งับเวทนาเก่าคือความหิวไม่ให้เวทนาใหม่คือไม่ให้เวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่บริโภคจนเดือดร้อนเกิดเวทนาใหม่แล้วก็จะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ยังชีวิตอัตภภาพให้ประพฤติสมณะธรรมเป็นไปได้ อันนี้คือว่าปัจเจกพิจารณาโดยรอบคอบไม่ได้ไม่ได้ฉันเพื่อเจริญโลภโทสะโมหะบาปอากุศลธรรมเป็นต้นแต่อาหารเนี่ยเป็นเหมือนกระยอดเพลาเกวียนอันนั้นก็เหมือนหยอดน้ำมันเครื่องเลยนะหยดน้ํามันใส่น้ำ ม, นมันรถให้มันวิ่งต่อไปได้แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเพื่อจะถ่ายถอนจิตไม่ให้เพลิดเพลินติดใจในอาหารอัตตะขาท่านบอกว่าเข้า1นึทวารออกตั้ง9ทวารประมาณนั้นนะ เข้าทวารปากอย่างเดียว ม, มันก็ออกที่ตาเรียกว่าขี้ตาออกที่หูขี้หูออกที่จมกูกเรียกว่าน้ำมูกเป็นต้นแล้วก็บังคราวก็สำรอกออกมาจากปากแล้วก็ไหลไปเรื่อยเรือเลยนะที่ก็ออกได้ทั่วตัวนั่นแหละ